ความสุขความเจริญจะมีแดท่านสาธุชนทั้งหลายการมายายประสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องภาษาทัศสูตรประสูตรที่ว่าด้วยความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ ก, ก็จะช่วยบุคคลด้รับผลที่เลิศในผลในที่นี้ส่งเน้นไปที่าอายุวันนะสุข ยศตลอดถึงสวรรค์วัตถุที่เลิศนั้นได้ทรงแสดงเทียบเคียงว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เป็นสัตว์สองเท้าเป็นสัตว์สี่เท้าเป็นสัตว์มากเท้าหรือเป็นสัตว์ไม่มีเท้าก็ตามพระธถาคดเจ้าชื่อว่าเป็นผู้เลิศประเสริฐในมู่สัตว์เหล่านั้น าการที่บุคคลทำใจให้เกิดศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธเจ้าคือว่าได้ศรัทธาเรื่มใสในวัตถุในบุคคลที่เลิศก็ช่วยให้ประสบผลที่เลิศทางในระดับมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติความเริ่มายนั้นเราจะได้ยินคู่กับศรัทธา ที่เราเรียกว่าสาทาปัสสะเป็นอาการที่จิตใจมีความผ่องใสหลังจากได้ขจัดความเคลือบแครงสงสัยออกไปจากใจแ้วลองสังเกตว่าความรู้สึกเหล่านี้บางครั้งถ้าหากว่ายังมีความไม่แน่ใจยังมีความเคลือบแคลงสงสัยหรือแม้จะมีความโกรธอยู่ จเราก็จะไม่ปองใสเช่นตัวอย่างพระปัญจวัคคีมาพบพระพุทธเจ้าครั้งแรกอาการที่ท่านแสดงออกและสา่งสิ่งที่ท่านพูดกันนั้นแสดงถึงอาการของโทสะปฏิเสธการต้อนรับการให้อาสนะการล้างเท้าการเ ช, ชวนด้วยอาสนะ แต่พอพระพุทธเจ้าเสด็จมารับสั่งว่าบัดนี้พระองค์ได้บรรลุอมรร ธ, ธรรมแล้วมาก็ต้องการจะแสดงอมรรจ ธ, ธรรมแก่ท่านเรานั้นอาการก็ความเครียดแคลงสงสัยไม่แน่ใจก็เกิดขึ้นทันทีท่านก็พูดในทรรลองลำเลิกเบิกความอดีตก็ตำหนิทุงติ่งพระพุทธเจ้าที่เปลี่ยนจากการทรมานโทรคกายมา สเสบยพระกยาหารเราทำให้ท่านไม่เชื่อว่าพระเจ้าจัสรุปเราเห็นอาการทางจิตว่าถ้ามีความเครื่อแร่งสงสัยแล้วค่อนข้างไม่ชอบคือไม่ชอบั้นมีอยู่ก่อนพอพระเจ้ามาแสดงตรงนี้ก็มีความเครื่องแร่งสงสัยต้องมีการสนทนาโต้ตอบชี้แจงอธิบายแล้วก็สอนในคิดพอลองย้อนคิดดูเถอะ อยู่กันมาห้าปีเนี่ยเคยพูดประโยคเหล่า น, นี้บ้างหรือไม่การนยอนคิดนั้นก็คือการเพิ่มบัญญามันเป็นลักษณะของสภาวธรรมเพิ่มบัญญามันก็เหมือนกับเพิ่มแสงสว่างมันก็จับความมืดกิดเลสประเภทเครือแข็งสงสัยนั้นเป็นอาการของความมืดเมื่อเมื่อท่านคิดตั้งคิดย้อนอดีต นาเรื่องต่างๆในใดีเข้ามาคิดพปนจนเจ้าดาชีบเคียงก็เห็นว่าไม่เคยรับสั่งประโยชน์แกงนี่จริงเราก็น้อมใจไปแต่มันไม่ถึงกับเชื่อเป็นการใจที่ยอมจำนวนคือไม่มีหลักฐานหักล้างพันนันเด็กพระเจ้าก็ทรงรู้ว่าท่านเหล่านี้ยังมีปัญหาภายในใจมันยังมีปัญหาก็ไม่เท็ด ไปพบกันตอนวันขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนแปดตอนเย็นพูณเจ้าไปแสดงธรรมเมื่อวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดตอนเย็นเหมือนกันก็สรุปว่ารอยท่านเหล่านั้นต่อสู้กับความเครียดแครสงสัยไม่แน่ใจยอยู่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงเรามองผลของการเทศว่าธรรมาจากนั้นเป็นประสูตย์ชั้นยอดมา คือหมายความว่าธรรมะในพุทธศาสนาทั้งหมดเนี่ยเอสรุปรวมที่ธรรมจักรวัฒนาสูตรระเทศไปทั้งทีปัญญยคีเดบันรูกพกผนเพียงท่านเดียวเราแสแดงว่าอีกสี่ท่านอยางไม่แน่ใจอยู่บางมางมึงไม่แน่ใจใจมันก็ไม่ผ่องใส ใจที่ไม่ผ่องใสนั้นมันก็เหมือนกับผ้าที่ยังเปื้อนอะไรอยู่เราไปย้อมสีมันก็สีติดไม่เสมอเพราะแนตรงนี้เราก็มองเลยไปจนถึงว่าในการเทศการสอนของพระเจ้าส่วนใหญ่ในต้องเริ่มปลูกฝังที่ศรัทธาแต่ในกระบวนการเผยแผ่ธรรมะในยุคนั้น ติเกติคุณก็พูดเจ้าแพร่ขลายขยายไปก่อนคนมาวิพากษ์วิจารณ์มากล่าวขวัญถึงมาถูกเฉียงกันมายกย่องสรรเสริญก็พื้นคขึ้นอยู่กับพื้นฐานความคิดของคนตอนนั้นก็แสดงว่าแต่ละฝ่ายนั้นถูกปลูกฝังเชื้อศรัทธาให้เกิดขึ้นภายในใจเราพบ ว, ว่าบางทีเวลาเสด็จไปในที่บางแห่งคนมากๆมันก็มั่วๆอยู่นะนะ ยังคราวเสด็จโปรดพระเจ้าพิมพิสารมันก็คนแสดงอาการยอมรับก็มีปฏิเสธก็มีเครือบแคลงสงสัยก็มีพร่ไปพูดเรื่องอื่นซึ่งก็มีส่งเสียงประกาศโฆษณาประชาสัมพันธ์ตัวเองก็มีนั่นคือลักษณะที่เห็นได้ชัดว่าจิตใจของบุคคลอย่างไม่เสมอเมื่อไม่เสมอมันมต้องแก้ตรง น, นี้ให้ได้ก่อนเป็นทำนองของการปรับใจ เพื่อใจมันพร้อมเรีว่าใจมันน้อมลงน้อมลงด้วยศรัทธาหรือน้อมลงด้วยปัญญาก็แล้วแต่ก็น้อมลงด้วยปัญญามันก็ง่ายนะแนวที่น้อมลงด้วยปัญญาคล้ายๆกระตอนประสาริบุตรเฝ้าเราเห็นได้ชัดว่าน้อมลงด้วยปัญญาเพราะอะไรเพราะท่านรู้เห็นธรรมะมาก่อนแล้วท่านเห็นพระสงฆ์แล้วท่านเห็นพระธรรมแล้วแต่ยังไม่เห็นพระพุทธมาเจอพระพุทธทีหลัง ก็ดีใจตั้งแต่เห็นแล้วมาถึงก็ถวายบังคมประกาศตัวเองเป็นสาวกทันทีไม่ต้องพูดเรื่องอื่นมาความศรัทธามั่นคงแล้วปัญญาก็หนักแน่นแล้วตอนนี้เรียกว่าความเรื่มใส่มันเกิดอยู่ภายในใจแล้วก็ไม่มีความเครื่องแปรงสงสัยอยู่ภายในใจเทศยังไงก็คือพร้อมที่จะน้อมรับเลยทันทีทันใด ลักษณะของธรรมะท่านจึงพูดถึงโอปนะยิโกคือต้องน้อมอย่าน้อยต้องน้อมใจเชื่อเรื่องของพระพุทธเจ้านั้นเป็นเรื่องพื้นฐานเบื้องต้นแล้วก็จบตอนสุดท้ายอย่างที่เคยพูดอยู่เสมอมาความาเรายอมรับนับถือศรัทธาในพระพุทธเจ้า แล้วก็พัฒนาจากจุดนี้ไปจนถึงปฏิบัติตนผสมกลมกลืนกับพระพุทธเจ้าพระเจ้ามีคุณอะไรเราก็มีคุณอย่างนั้นพระเจ้ามีปัญญาเราก็มีปัญญามีบริสุทธิ์เราก็มีบริสุทธิ์มีกรุณาเราก็มีกรุณาไปจุดนี้ทําให้ท่านเหล่านั้นเป็นพุทธด้วยเรียกว่าอนุพุทธคือรู้ตามเราพุทธเจ้ารู้เห็นตามพระพุทธเจ้าเห็นมีคุณธรรมตามที่พระพุทธเจ้ามีแต่ไม่ใช่เท่ากันนะฮะ ที่เหมือนกันก็เฉพาะความบริสุทธิ์โดยคุณสมบัติอื่นก็มีความยิ่งความย้อนไปเทียบกับพระเจ้าไม่ได้ให้เราเห็นว่าบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายพระเจ้านั้นเป็นผู้ยิ่งโดยคุณแล้วว่าจริงก็ยิ่งโดยรูปด้วยนะฮะยิ่งโดยพระรูปเพราะว่าเป็นมหาบุรุษที่สมบูรณ์โดยมห ah าปริสลลักษณะสประการสามสองประการแต่ว่า จุดนี้ไม่ใช่จุดเน้นเพราะว่ามันเป็นสังขารแต่ในขณะเดียวกันเราก็มองเห็นว่าเออสังขารขนาดนี้สังขารขนาดเป็นหมาปุริศาลักษณะคือสุดยอดของผู้ชายงามที่สุดในโลกนะครับยังแกงหงอมเพระาะเจราอย่างครบาวๆไปเพระาะเจราณประส า, าอะไรกับร่างกายของเราซึ่งไม่ถึงขนาดนั้นเราก็ต้องแกงหง อ, อไปเพระาะเจราเช่นเดียวกันแล้วก็เรียนรู้ในด้านสภาวธรรม เราจะพบว่าพระเจ้าเอาสอนพระรูปของพระองค์มาสอนในแนวของสภาวธรรมในแนวของอะไรในแนวของการถ่ายทอดวิปัสสาเจรับสั่งกับพระวักลิต้องติดตามดูพระรูปของพระพุทธเจ้าก็ก็ ก, ก, ก็ก็ไม่ได้ติดใจอะไรเท่าไหร่นะฮะก็สนใจที่จะดูพระรูปกันนั้นเองแต่ในขณะดูเนี่ยขณะดูมันก็ได้ยินได้ฟัง ในประทับใจได้ทราบซึ้งในปุกลิกภาพการเคลื่อนไหวของพระพุทธเจ้าที่เรียกพุทธลีลาของพระพุทธเจ้าแล้วก็ศรัทธามัาก็เกิดขึ้นภายในใจในส่วนของพระคุณนะฮะในส่วนของพระคุณส่วนรูปนั้นเป็นสีเนหามันไม่ใช่ศรัทธาก็ยนได้โอกาสเหมาะก็รับสั่งรับสั่งในทำนองขับไล่นะ วัคคะลิพิุจงถอยออกไปจะมาดูใหญ่ร่างกายแต่ฐาคตเป็นของเปือยหน้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจูเอเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชูเอเห็นธรรมเพราะอะไรเพราะธรรมะจริงๆพระเจ้าจริงๆเนี่ยฮะองค์จริงๆก็คืออย่างที่เคยบอกว่ามันมีองค์องค์แทนมันมีองค์แท้แล้วก็มีองค์ธรรมพระเจ้าที่เป็นองค์แทนก็คือสั ญ, ญลักษณ์ทั้งหลาย กปกติมาพวกเจดีย์พวกพรบรมธาตุพวกวสถูปทั้งหลายที่เราเห็นแล้วทําให้เรานึกถึงพระพุทธเจ้านะไม่ว่าจะเป็นต้นโพต้นไซตต้นจิกต้นเกตเราไปอินเดียเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ที่จริงเป็นองค์แทนไม่ใช่องค์พระพุทธเจ้าองค์รู้จ้าก็คือองค์องค์เจ้าชายสีตถาที่ประกอบด้วยสังขารร่างกายอันสมบูรณ์พร้อมเป็นมหาบุธธรุษสาลักษณะ แต่ทรงสอนเน้นว่าเป็นของเปื่อยเน้าอาการนั้นเป็นโรคนิทางเป็นรังของโรคประฟังคุณงังต้องเปื่อยเน่าแล้วตอนที่สอนพระราหุล น, นานมาแล้วเคยเล่าให้ฟังนะฮะในจุฬเราวโลวาทสุดพระราหุลตอนนั้นท่านหนุ่มขึ้นเนะี่ยท่านบวชตั้งแต่อายุเจ็ดแปดขวบแล้วก็โดยเสด็จพระพุทธเจ้าไปข้างหลังมอง พระสรีระของพระเจ้าสง่างามมันตื่นเต้นนี่ยแต่ถ้าเราดูอายุพระพระพระชนมาอยุพระเจ้าตอนนั้นสี่สิบกว่าแล้วนะะพราะพระพราหูท่านท่านแปดเก้าหวแล้วเอ้ยไม่ใช่ท่านแปดเก้าหวท่านท่านสิบแปดสิบเก้าแล้วนะเออสรุปพระเจ้ากว่าสี่สิบกว่าจนจนห้าสิบแล้วนะยังงามสง่างามเลยเกินพระราหูโอ้พระพุทธเจ้าดี ง, งามจริงงามแล้วเสร็จแล้วก็กลับมาดูตัวเองเฮ้เราก็ไม่ย่อยเหมือนกันลูกพ่อ เราก็ไม่ยอมอย่างเงี้ยพระเจ้าทราบควาชิดอันนี้ชักไปใหญ่แล้วจากไปใหญ่แล้วก็มาหยุดสอนเรื่องธาตุก็คือแยกร่างกายดูว่าจะสุขสมบูรณ์ยัยงไงสวยงามยังไงก็ตามที่จริงมันคือธาตุแยกร่างกายเห็นเป็นธาตุเป็นประกอ บ, บด้วยธาตุด้วยดินด้วยน้ําด้วยโดดด้วยไฟลักษณะใดาแข็งแข็งที่อยู่ในกายนี้เห็นผมโกนนักควาหนังเป็นต้นมันก็กลายเป็นธาตุ ด, นดินลักษณะเ อ, อบอา่ซึมซับได้เห็นน้ำลายน้ํามูกน้ําเหงื่อน้ำไ ข, ข้คอดเลือด ก็ถือว่าถาดน้ําลักษณะใดพัดผันได้ลมหายใจลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องตามลมในท้องลมในท่ายลมตามตัวก็ถือว่าถาดลมลักษณะไ ด, ไดทํ า, า, า ก, ทกายอบอุ่นทํากายสุดโมทมทํากายกระวนกระวายเผาอาหารให้ยอดก็ถือว่าเป็นถาดไฟก็สอนในห็นว่าสัพท์แปว่าถาดทําไมไม่บอกตรงๆบอกตรงๆไม่ได้นะคนก็อายก็เขินน่ก็เขินก็อายเพราะ ง, งั้นก็พูด พูดย้อนคล้ายๆกันน้ำย่อเอาน้ำบกท่านติดในกายซึ่งเป็นกลุ่มของธาตุก็สอนเรื่องธาตุให้เห็นว่าจริงๆมันก็เป็นสัจธรรมเพราะการกําหนดอารมณ์ของคนนั้นกําหนดแนวแยกหรือว่าแนวรวมท่านกําหนดแนวรวมพระเจ้าก็แยกให้เราแต่จริงๆที่เธอที่เธอเห็นสว่วนใที่ยิ่งยืมก็เป็นแบบสัจธรรมธาตุนะแล้วตอนที่พระชนมาายุมากแล้ว ก่อน uhm. จะไปนิพพานนั้นเราจะเห็นว่าจะประรบเรื่องร่างกายของพระองค์มากสอนกับร่างกายให้ดูร่างกายที่คนสิเนหาคนต้องการต้องการประลบพระพุทธเจ้าดํารงอยู่ช่วกับชุ่กันเราสั่งว่าเวนี้ร่างกายตาทาคตมันเหมือนกับเกวียนเกวียนเก่าๆที่ซอบด้วยไฟไผมันไม่เกวียนไม่ใช่เกวียนที่จะบรรทุกของหนักได้อีกต่อไปแล้ว ชีวิตมันก็เหมือนกับพานชนะดินจะเป็นดินใหม่ดินกลางเก่ากลางเก่ากลางใหม่พยาชนะที่เป็นดินเก่ามันก็ถึงการแตกทำลายเช่นเดียวกันต ล, ลอดถึงมาสรุปเป็นานิจานะฮะเราจะย้อนสรุปเป็นานิจจาราตัสังคาราที่นำมาเป็นคาถาบางสกุลนั่นก็คือเอาพระพุทธเจริระของพระองค์มาสอนให้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงแท้ยั่งยืนมีการแปรผัน ตรงนี้เป็นสภาวธรรมแม้จะเลิศโดยผลของบุญคือตกแต่งปรุงแต่งสังขารให้เป็นมาพิสาลักษณะก็ตามแต่เอาก็จริงมันก็คือสังขารที่จะต้องแตกดับไปทีนี้ในในส่วนในส่วนนี้ที่พูดถึงว่าเลิศเนี่ยหมายความว่าเลิศโดยคุณนะฮะโดยคุณสามประการไม่ใช่ว่าเลิศทุกเรื่อง เลือทุกเรื่องนั้นก็เป็นอติมานะเป็นการดูหมิ่นคนอื่นนะฮะเป็นการยกตนข่มคนอื่นแต่ว่าเลิอดนั้นเป็นการแสดงสภาวะที่จริงในสามจุดจุดหนึ่งคือมีปัญญาเลิอดหมายความว่ามีปัญญาเหนือกว่าสปปรรพสัตว์ทั้งหลายคนทั้งหลายที่รู้ยังไงก็ตามไม่เกิดพระพุทธเจ้าประเด็นสําคัญที่สุดการรู้พระเจ้านั้นทําให้กิเลสมันหมดไปด้วยคนทั้งหลายที่รู้เป็นนักป ร, รารถนาบัณฑิตทั้งหลายบางทีรู้แล้วกิเลสมันก็เพิ่มขึ้นไป แล้วความบริสุทธิ์ภายในพระไทัยนั้นเป็นบริสุทธิ์จริงๆบริสุทธิ์เหนือเทวดามนุษย์ทั้งหลายมารพรทั้งหลายแล้วความกรุณาของพระเจ้าเป็นกรุณาที่เสมอจริงๆเสมอในสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นจุดเน้นสามจุดไม่ใช่ว่าทุกจุดนะฮะทุกจุดมันก็บางทีคนอื่นก็เก่งกว่าก็มีนะอย่างพวก นักบวชนอกศาสนาพวกปริภาชกเขาประชุมสันเสริญกันประรบพระพุทธเจ้านะประรบบูาสตย์ดาทั้งหลายขณาจารย์ทั้งหลายในยุคในสมัยนั้นเสร็จแล้วมาได้ข้อยุติว่าพระพุทธเจ้านี่ยอดที่สุดเลยลูกศิษย์เคารพนับถือจนจะหดกระดูกก็เรียกว่าเวลาพระเจ้าเทศแสดงธรรมแม้เสียงไอเสียงจามเสียงพูดก็ไม่มีแสดงเคารพมาก เมื่อเกิดปัญหาว่าเขารพเพราะอะไรและในที่ประชุมก็บอกว่าเคารพเพราะพระพุทธเจ้านั้นมีอาหารน้อยต้งหุบผ้าบางสกุลอยู่ในเสนาสนะป่าชั้นยาดองโดยทั้งบนะูดหนาพระเจ้าบอกไม่ใช่เพราะอย่างนั้นหรอกคือแต่เพราะอย่างนั้นนะมีรู้สิทธิ์พระองค์เก่งกว่าพระองค์เยอะพระบางรูปในฉั้นข้าววลรคคำนะพอรมานร่างกายฝึกปรือร่างกายในฉันเข้าววลรคคำ พรเจ้าบางทีสัตว์นเครื่งบาตรพระจันเต็มบาตจีวรในพระบางองค์นี่ไปเก็บเศษผ้าจริงๆมาเย็บปะติดปะต่อกันไม่เป็นรูปเป็นร่างอะไรรุงริ่งไปหมดเลยแต่พระเจ้าบางทีก็ได้จีวรใหม่ๆสวยๆองามราคาเป็นแสนก็มีและอยู่ในเสนาสนะปา่าพระบางองค์ท่านก็อยู่อยู่โดยไม่รอมไม่ยอมเข้าร่มเงาต้นไม้พระเจ้าก็อยู่ที่พระคันธุปดีก็มีอยู่ปราสาทก็มีนะฮะก็ๆๆไม่ไม่ได้แปลกอะไร แต่พวกยาทั้งหลายก็มีลักษณะเช่นเียวกันผู้เจ้าก็ฉันยาทุกอย่างสวยยาทุกอย่างเด็กหมอชีวกโกมารพัดประกอบยาอะไรให้มาก็สวยแต่ภิกษุบางรูปใ่ฉันยาที่อุ ก, กิจจริงๆนะฉันยาโดยนามูนาจริงๆเพราะงั้นประเด็นที่เน้นที่ที่เลิศจริงๆก็คือว่าในด้านของพระคุณพระคุณก็คือองค์แท้นะฮะไม่ใช่มาองค์ธรรมองค์ธรรมก็คือคือปัญญาบริสุทธิ์กรนะดูกงาม ทีความเริ่มใสความเรื่มใสที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องสามารถขจัดมาตั้งแต่ความไม่เชื่อความมีอยู่ของพระพุทธเจ้านะเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าในหมู่ชาวพุทธเราเองบางทีเป็นพระนะฮะพระก็ถามก็มีพระเจ้า ม, มีจริงหรือเปล่าแหมน่าช้าใจมากพระถามว่าพระเจ้ามีจริงหรือเปล่านี้น้อยใจนะฮะก็เราต้อง ข, ขจัด ไม่มีความเครือบแครงสงสัยในจุดนี้ไม่มีความเครือบแคลงสงสัยในพระประวัติทั้งหลายแมนะ้บางเรื่องจะมีปาฏิหารนะฮะปาฏิหารนี่ที่จริงท่านเรียกบาลีจริงๆเนี่ยท่านเรียกว่ากาตาพินีหาโรมันเป็นเรื่องบุญญาธิการที่คนเหล่านั้นได้กระทำเอาไว้เป็นอนุภาพของบุญนะเป็นบุญญาอนุภาพเป็นเรียกว่าวาสนาบา ร, รมีนะครับ คนนั้นมีได้คนนั้นมีไม่ได้เพราะคนเราสังสมบุญมาแตกต่างกันเพราะผลบางอย่างที่มันเกิดขึ้นแกพระพุทธเจ้าเนี่ยที่จริงเป็นเรื่องสิ่งที่เรียกว่ากตาปิเนฮารโอคือบุญญาธิการที่ทรงกระทาอบรมสังสมมานานแล้วก็มากเป็นพิเศษสิ่งนั้นก็แสดงอาการออกมาให้เห็นอนุภาพของบุญด้านนั้นเอง ที่ควรจะน้อมใจไปศึกษาไปประพฤติปฏิบัติตามแต่ไม่ใช่จุดเด่นที่เอามาเน้นอะไรไมันเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวแต่ว่าตัวพระพุทธเจ้ามาความมาถ้าใครบำเพ็ญไปถึงจุดนั้นมันก็ได้ผลอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปอ่านประวัติของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมันก็มีแนวเดียวกันทั้งนั้นแม้แต่รูปร่างก็เหมือนกันนะนะม้แตรูปร่างก็เหมือนกันเพียงแต่ขนาดส่วนสูง ส่วนสูงเนี่ยจากการสังเกตแต่หลายองค์นะฮะเอามาอ่านโดยหลายองค์ก็ปรากฏส่วนสูงไม่เท่า ก, กันแล้วก็ขึ้นกับยุคสมัยของมนุษย์ในแต่ละยุคนะฮะร่างกายมันเป็นยังไงเพราะความเลื่อมใสจะต้องเลื่อมใสทั้งในองค์องค์แทนหมายความว่ามีความเคารพในเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า ข่าไปในบริเวณโบสถสถานวิหารลานประเจดีเรือนโพอะไรแต่ไรก็ให้ความเคารพทางกายทางวจาและโดยเฉพาะ ย, ยิ่งคือจิตใจแล้วกับองค์แท้ของพระเจ้าซึ่งเกี่ยวข้องกับพระประวัติกันหลายพระประวัติของพระเจ้าเราก็เราก็ต้องยกถวายรู้จเจ้าเลยไม่เอามาคิดไม่เอามาวิพากษ์วิจาร์ ออกมาถกเฉียงหรือว่าอธิบายโดยสา ม, มัญสำนึกนตนเองเองอันนี้ที่น่าน้อยใจมากก็คืออธิบายโดยจิตสํานึกตัวเองนึกว่าถ้าตัวเองเป็นไม่ได้แล้วพระเจ้าก็ต้องเป็นไม่ได้อันนี้ทารุณไปหน่อยนะแล้วประการต่อไปก็คือเลื่อมใสในองค์งงธรรมเลื่อมใสในตัวคุณตัวคุณธรรมจนถึงกับ ดำเนินไปตามขั้นตอนอย่างที่เคยพูดนะฮะหมายความว่านํามายกย่องสรรเสริญนํามาตรึกนึกนำมาภาวนานํามาน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติแล้วจึงจะเกิดผลที่เกิดขึ้นจากการสถัทาเริ่มใสจริงๆแต่อย่างที่บอกว่าคำศสัทธาเริ่อมใสนั้นบางทีเนี่ยแม้แต่ทําจิตให้เรื่อมใสอย่างที่เคยเล่าเรื่องมัตตคุณตลีเทพบุตรก็ทําจิตให้เรื่อมใสหรือว่ายายหญิง จันทานคนหนึ่งที่เห็นพระพุทธเจ้าก่อนจะดับจิตจะทำจิตจะเริ่มใสสี่กทัก้งก็พ่องแพ้วก็บังเกินในสุคติด้วยบุญแม้ด้วยการทำจิตใ้เรื่องใสแต่พวกองค์แทนทั้งหลายคนที่มุ่งไปสู่พระเจดีย์เพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพุทธเจ้าเป็นลมตายบ้านถูกสัตว์ ฆ่าตายไอ้ถูกสั่งกัดตายบ้างอะไรแต่ไรแต่ว่าในขณะที่ใจเริ่มใส่อยู่ก็บังเกิดเป็นเทพบุตรเทพทินดาก็แสดงไว้ทุกชั้นนะนะแต่ที่ที่โดยรวมก็คือว่าปิดประตูอบายถ้าใจยังศรัทธาเริ่มใสยอยู่พี่ก็แม้นะฮะถ้าใจยังศรัทธาเริ่มใสยอยู่ก็ปิดประตูอบายได้ประการที่สองนั้นก็แสดงถึงธรรมธรรมะนั้นจะมีอยู่สองกลุ่ม กลุ่มหท่านเรียกว่าสังคตรธรรมหมายความว่าธรรมะที่ยังมีปัจจัยเข้ามาปรุงแตง่งพูดง่ายๆว่าธรรมะระดับโลกทั้งหลา ย, ยธรรมะดักโลกทั้งหลายนั้นท่านเรียกว่าสังคตรธรรมเป็นเราแต่ละคนนี่จริงๆก็เป็นสังคตรธรรมคือปัจจัยปรุงแต่งมาประกอบด้วยกายกับจิตในกายก็มีส่วนประกอบเจอะในส่วนจิตก็มีส่วนประกอบเยอนับไปแล้วก็เอยอะแยะไปหมดเลย ก็เรียกสังคต ธ, ธรรมเป็นสังคต ธ, ธาตุคือาธาตุที่ที่ยังมีส่วนผสมอยู่ไม่ใช่ธาตุไม่ใช่าธาตุใดธใาตุหนึ่งที่บริสุทธิ์จริงๆนะครับในสังคต ธ, ธรรมทั้งหลายธรรมะที่เกี่ยกวกับสังคต ธ, ธรรมทั้งหลายนั้นแสดงว่าอริยมรรคนั้นเป็นยอดของธรรมะประเภทนี้ธรรมะนั้นเป็นคําสอนโดยรวมลักษณะของโดยรวมเนี่ยฮะบางทีเราก็มีความสับสน เป็นบางครั้งมีการพูดบ่าคนบางคนเรียนแบบพระที่จริงไม่ใช่นะฮะคือวิถีชีวิตพุทธเนี่ยวิถีชีวิตพุทธเนี่ยมีการศึกษาด้วยกันไม่ใช่เจาะจงว่าพระเท่านั้นวพวกผู้ชาวบ้านเท่านั้นไม่ฮะศึกษาธรรมะด้วยกันปฏิบัติธรรมะด้วยกันนะได้รับผลออกมา้วยกันเพราะฉะนั้นการไหว้พระสวดมนต์การ อ, อะไรอรที่ที่จริงมันเป็นวิถีพุทธมันไม่ใช่ของพระเราคิดว่าพระเท่า น, นั้นต้องทําไม่ใช่นะฮะจริงๆเป็นวิถีพุทธ โดแสดงว่าชาวพุทธเราจักจะห่างจากศาสนาไปเยอะเลยเป็นวิชีพูดตื่นขึ้นมาไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมทํากรรมฐานนั้นไม่ใช่ว่าพระเท่านั้นทำชาวบ้านก็เื่นกันเรียกเป็นวิถีชีวิตของพุทธซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นชาวบ้านมากกว่าพระเยอะนะฮะพระเป็นุคคลนิดเดียวตระกูลในสังคมอ่ะไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซนของจำนวนประชากรเวลานี้ก็บอกว่าเจ้จุดเจ็ดเอ่ออะไรเจ็ดศูนย์เปอร์เซนนะฮะ จุดเจ็ดศูนนะฮะไม่ไ ม, ไม่อยู่หลังจุดแล้วตอนนี้มันมันลดลงไปเยอะแล้วคิดคิดอราราส่วนแล้วลดลงไปมากเป็นวิถีพชีตเพราะงั้นธรรมะในภาค ข, ของปฏิบัตินั้นเราจะเห็นว่าเราก็อยู่ในแวดวงของของของอริมักมีองแปดประการอริมักมีองแปดประการเป็นธรรมะระดับโลกนะฮะคือถ้าเราเทียบโดยวัตถุแล้วมันก็แคาจะหลุด กระคาจะรวดโคลัมเบียนะยิงเพื่อนยิงเพื่อนขึ้นไปอยู่พวกอากาศแต่ตัวเองอยู่ในโลกนี้นะสมัยก่อนจะรวดเซตเทิร์เดี๋ยวนี้จะรวดจอะไรล่ะยานโคลัมเบียมันมันนาไปส่งได้ข้างนอกแลยนะมันกลับมาได้สมัยก่อนโดยพวกเซตเทอร์นะฮะยิงเพื่อนขึ้นไปอยู่ข้างนอกแล้วตัวเองก็ยิงอพอลโล่ทั้งหลายนะฮะแล้วตัวเองก็ก็อยู่ในโลกเนี้ยพมา่าทั้งแปดจึงเป็นโลกียะ เป็นโลกิยะแล้วก็เป็นสุดยอดของธรรมะหมายความว่าธรรมะจะทรงแสดงไว้โดยปริยายอะไรก็ตามมารวมลงที่อริมักในองค์แปดประการและในการปฏิบัติตามอริมักในองค์แปดประการนั้นที่จริงก็กระทบอริยสัตว์ทั้งสี่ประการไปเสร็จในตัวนะฮะสมมติว่าอะไรสมมติว่าเรามีความเห็น มีความเห็นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเหตุนี้เท่าเนี้ยตัวความเห็นนั้นความเห็นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิสมาทังกับปัจสังขารที่ถูกเห็นว่าไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์ษัตริย์ใจที่เคยยึดมั่นคือมันน่นในสังขารโดยเข้าใจว่าเที่ยงตรงจางคลายลงไปแสดงว่าสุมาทัยศาสตร์ก็ลดลงไป ความโปร่งเบาความยืกเย็นภายในใจก็เกิดขึ้นหมายความว่านิโรธสัตว์ก็ปรากฏอยู่ภายใ น, ในใจิตนะเป็นนิโรธสัตว์ยังงอนนอนปริมาตรวงแปดประการจึงเป็นทางสายเดียวนะเราจะพบว่าก่อนที่พระเจ้าจะเสด็จดำเนินพระบานมีท่านสุภัทพระปริพาชกไปกราบทูลถามแปลเป็นไทย ง, ง่ายๆนะสำนวนก่อนข้างเป็นบาลี พูดง่ายๆว่าในศาสนาอื่นนะ่ะมีพระอริยาสาวกหรือไม่พระเจ้ารับสั่งว่าตั้งแต่เราบวชมาห้าสิบเอ็ดปีพระเจ้าบวชห้าสิบเ็ดปีนะฮะมาความว่าสวยง า, ามโมกธรรมอยู่หกปีแล้วก็เป็นหลพ่อเจ้าอยู่สี่สิบห้าปีก็ห้าสิบเอ็ดปีไม่ได้เห็นว่าในธรรมินายใดคือในศาสนาลัทีิใดมีพระยบุคคล แล้วก็รับสั่งว่าตราบใดที่การศึกษาการปฏิบัติชอบตามอริยมรรคเปงแปดประกาศยังมีอยู่ตราบนั้นโลกจะไม่ว่างจากพระริยบุคคลหมายความว่าแม้เดี๋ยวนี้ก็มีการศึกษามีการปฏิบัติตามอริยมรรคเปงแปดก็แสดงเดี๋ยวนี้ก็มีพริยาบุคคลแต่ภริยาบุคคลนั้นเราจะต้องมองนะฮะว่าท่านไม่โลภเมื่อไม่โลภ ก, ก็ไม่อยาก ไม่อยากได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่อยากได้ลาบได้ยศได้ชื่อเสียงการยกกล้องสรรเสริญทังหลายเนี่ยเพราะเป็นเป็นอันนตโนมัติของท่านว่าพระริยบุคคลจะไม่อวดถ้าอวดนั้นก็เหมือนกับโฆษณาสินค้าคือแสดง่คนคนที่โฆษณาสินค้าก็คือคนโลภนะนะฮะคนโลภอยากได้ผลประโยชน์จากผู้คนอื่นว่หาวิธีการพูดไปแล้วในการโฆษณานั้นมนก็มีโกหกอยู่เยอะ จะเห็นว่ามันก็เป็นเป็นเป็นมัจีทิตุจริตเรื่วยๆใจนั้นเป็นมโนทุจริตคือโลภอยากได้ผลประโยชน์จากบุคคลนี้นี่เป็นเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติอันบทบัญญัติเราจึงเห็นว่าอวดอุตริมโนสธรรมไม่ได้อวดคุณพิเศษไม่ได้เพราะถ้าอวดก็แสดงไม่จริงฮะถ้าจริงก็คือไม่อวดเมื่อไม่อวดเราก็ไม่รู้แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องรู้ ไม่จำเป็นเนี่ต้องรู้ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าใจมันจะเป็นเป็นเอกภา พ, ค, พ, รร ค, พ ค, ค, ค, คือรำลึกถึงพระธรรมคุณพระพุทธคุณธรรมคลสังฆคุณโดยรวมคือรำลึกถึงพระรัตนตรัยโดยรวมอันนี้มักเป็นองค์แปดประการบางครั้งก็มาสรุปเป็นไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญานะบางทีก็มีการถกเฉียงกันในมูชาวพุทธคือคื อ, ค, อคือเรื่องนอกเรื่องเนี่ย เราเริ่มรู้จะเถียงกันทำอะไรบางท่านจะอธิบายปัญญาขึ้นหน้าบางท่านจะอธิบายศีลขึ้นหน้าคือถ้าอธิบายแนวใจติดขานะเราพูดศีลขึ้นหน้านะเป็นรูปของบันไดไต่ขึ้นไปติดชั้นแต่ถ้าอดียมากแล้วอธิบายแบบกวนขนมมันครุกคร้าวเป็นเนื้อเดียวกันแต่อย่าลืมนะฮะกวนขนมก็จบที่ว่ามันมนข้าเป็นเนื้อเดียวกันขึ้นบันไดก็คือถึงจุดหมายปลายทางก็คือกัน ก็คือการ เ, เป็นเป็นเป็นเรื่องเดียวกันเรื่องบางนั้นจะพูดเรื่องปัญญาก่อนเราจะเห็นว่าสมาธิิตมาอยู่ก่อนแต่ใจติขานั้นจะอยู่ที่ศีลก่อนแต่ที่จริงก่อนจะมีศีลก่อนจะสมาทานถึงก็จะรับศีลเราก็ต้องมีปัญญาพิจารณาเห็นคุณของศีลใ น, นทุกของการไม่มีศีลโดยเนื้อหาแล้วเป็นเรื่องเดียวกันไม่ไม่ใช่เรื่องมาถกเถียงนะเป็นโบหานในการเทศของพระเจ้าแต่แท้เด็ก เพาราะอรมักเป็นอ์ประกการจึงเป็นที่รวมของความดีงามทั้งหลายมาความมาเริ่มตรงเนี้ยท่านจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภาวนารปอว่าสิ่งที่จะต้องทำให้มีขึ้นในเป็นขึ้นนะอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ท่านทั้งหลายฟังว่ามันที่ทรงแสดงโดยสรุปหน้าเดียวนะ น่เดียวแต่นั่นเองทำสองประการควรกําหนดรู้คือนามหนึ่งรูปหนึ่งทำสองประการควรละคือวิชาหนึ่งเพราะว่าตัณหาหนึ่งทำสองประการควรทําไม่แจ้งคือวิชาหนึ่งวิมุติหนึ่งทำสองประการควรเจริญคือส ม, มาถะหนึ่งวิปัสนาหนึ่งมันก็สี่บรรทัดอ น, นะฮะเอ๋สี่บรรทัดถ้เร่งก็จบละทีนี้ในสี่บรรทัดเนี้ยที่จริงแล้วปฏิบัติเพียงหนึ่งบรรทัดล่างแบบนั้นเองคือสมถะหนึ่งวิปัสนาหนึ่ง สมถทานหนึ่งมีปัฒนาหนึ่งมเมื่อเราปฏิบัติสมถะวิปัสนาก็คือการกำหนดรู้รูปกิเลสอวิชาก็เพราะตถาปตจางไปคลายไปวิชาความรู้วิมุตติมันก็เกิดผุดขึ้นภายในใจโดยการปฏิบัติตามอริมัชเพราะงะั้นในอริมัชมีองค์แปประการเนี่ยเราจึงจริงๆมันมีแต่เราไม่พูดไ ม, ไม่พูดอีกสองข้อตามปกติจะไม่พูดเพราะไม่เป็นผล ไอ้มากมีแปดประการที่จริงไม่ใช่ตัวมากแต่เป็นเครื่องประกอบของมากก็เรียกองค์ของมากอง์ก็คือเครื่องประกอบมันือ่แค่ยานะแค่แ ค, แคตัวยามีแปดตัวแต่พอปฏิบัติผสมกลมกลึงกันแล้วมันจะเกิดตัวยาขึ้นมาเรียกว่าสัมมาสมาญาณนะอันนี้คือตัวมากสมาญาณเร็วความรู้ในทางที่ชอบพอรู้ในทางที่ชอบกิดมันก็หลุดพ้นก็เรียกว่าสัมมาวิปุสสิก็หลุดพ้นเพราะงั้น จริงๆมันมีผลอยู่สองข้อแต่ท่านไม่พูดมันพูดเฉพาะตัวเหตุเพราะว่าพูดระดับของเครื่อสังคตรธรรมธรรมที่ปัจัยกปรุงแต่งนะอริยมรรคก็ยอดที่สุดที่นี้ประเด็นที่น่าศึกษาไปอีกนิดหนึ่งก็คือว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงว่าพระยะบุคคลไม่มีในศาสนาอื่นคือเราต้องยอมรับความจริงในศาสนาอื่นเขาไม่ต้องการเป็นพระญาบุคคลนั้นอย่างหนึ่งแล้ว ป้าเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นเขาต้องการสวรรค์สมบัติเขาต้องการอยู่รวมกับพระผู้เป็นเจ้าต้องการรับใช้กับผู้เป็นเจ้าต้องการเป็นเงินึ่งอนเงินเดียวกับพระพรหมเขาไม่ต้องการนิพพานไอ้ชาวพุทธเราลึกๆก็ไม่ค่อยชอบนิพพานอะไรอะ่ะไม่ค่อยมีตัวตนะไม่เค่ยยมีแดนไม่ค่อยมีโลกไม่ค่อยมีสภาวะเพราะงั้นเอ่อรุ่นหลังเราจะเห็นว่าคนรุ่นหลังชาวพุทธรุ่นหลังเนี่ยจะอธิบายนิพพานเป็นตัวตนเป็นเมืองแก้ว คือนิพพานเป็นอายตนะนิพพานเป็นแดนนิพพานเป็นโลกนิพพานเป็นสุขาวดีพุทธเกษตรนะไปอยู่กับพระอมิตาพระพุทธจเจ้าอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะเอ๊แนวขมาญาณแสดงว่าลึกๆเนี่ยมนุษย์เรามีภาวะตัณหาเสียดายการเกิดคืออยากจะเกิดแต่อยากจะนิพพานด้วยเลย อ, อยากจะเกิดด้วยเลยมั่วๆแม้แต่ตำหนักตานาที่เผยแพร่กัน อ, อยู่ในเมืองไทยนี่ตีกันตั้งแต่ไหนแต่ใดมา บางทีวัดเดียวเทศ น, นคนละเรื่องนะผม อ, อธิบายถึงนิพพานเพราะงั้นก็ช่างแหละอาศัยไปก่อนจะมีพบมีชาติก็ยังไงมันก็ขึ้นสูงไปหน่อยก็หมุนวนในสังสารวัตรน้อยหน่อยรื่อง่างหนึ่งเนี่ยการที่จะเป็นพระยาบุคคลเนี่ยประเด็นสำคัญที่สุดต้องมีความเห็นว่าไม่มีตัวตนี่แท้แน่นอน เห็นไหมไม่มีความเห็นว่าไม่มีตัวตนที่แท้แน่นอนหมายความมันถอนตัวสักกายะทิชฌสังโยทธ์ข้อแรกที่เราพูดพูดกันมาเนี่ยตัวนี้ออกไปได้ก่อนถ้ายังอยู่ตรงนี้ก็แสดงว่าไม่ถึงนิพพานถ้ายังมีตัวตนเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาตัวตนถาวอนยั่งยืนเราจะเรียกยังไงก็จ้างไงนะฮะก็แสดงว่ามีสักกายทิชฌ์อยู่มันเป็นเงื่อนไขว่าถ้าทีมือเธอมีตรงนี้ก็แสดงว่าเธอไม่มีตรงนี้ เห็นไหมมันเหมือนกับเราเดินทางซ้ายก็ชื่อว่าไม่เดินทางขวาเดินทางขวาก็ชื่อว่าไม่เดินทางซ้ายมันมันมันมันจะเอาทางซ้ายทางขวาไม่ได้มันรู้จะเดินยังไงมันซ้ายก็ซ้ายขวาก็ขวาแต่นั้นเองอันนี้คือของแน่นอนมากเมือนก็เมืนกัเย็นก็ก็ไม่ร้อนนั่นแหละประการต่อไปนั้นส่งแสดงธรรมะที่เรียกว่าอสังคตะอสังคตะก็คือไม่มีเครื่องปรุงแต่งเป็นธาตุล้วนๆธาตุล้วนๆที่บริสุทธิ์ไม่มีอะไรเจือปน นะมันเหมือนกับทองที่มีอะไรทอะไรก็ขับไล่พวกสนิมพวกพวกพวกของเจือปนออกมนาะเป็นเป็นเป็ น, ปนทองบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็ไม่มีธาตุอื่นผสมนั่นก็คือนิพพานธาตุหรือท่านเรียกย่อหนึ่งว่าอสาังขตธาตุหมายควาธาตุตัวเนี้ยไม่มีกิเลสไม่มีอะไรเจอือปนเป็นธรรมะ ล, ล, ล, ล, ล, ล้วนๆเป็นกลุ่มธรรมล้วนๆเป็นกลุ่มของปัญญากลุ่มของความบริสุทธิ์กลุ่มของพระเมตตากันนะมันมีอยู่ด้วยกัน พวนี้แยกออกจากกันไม่ได้นะะหมายความว่าสามอย่างนี้แยกออกจากกันไม่ได้ medida, คล้ายๆกับไฟแยกจากความร้อนจากแสงสว่างไม่ได้นะเราจะเห็นว่าถ้าหมดไฟมันก็หมดความร้อนหมดแสงสว่างการได้มีแสงสว่างการได่มีความร้อนก็แสดงว่ามีไฟเพราะฉะนั้นสามอย่างนี้แยกจากกันไม่ได้ถ้าแยกก็คือหมดหมายความว่าไฟก็ดับนิพพานจะมีลักษณะอย่างนั้นว่าในความเป็นนิพพานมันก็คือคุณของเราพระพุทธเจ้าสามข้อ ปัญญาที่สมบูรณ์บริสุทธิ์ที่สมบูรณ์กรุณาที่สมบูรณ์แล้วจะสมบูรณ์ตลอดไปไม่มีคำว่าคร่องเพราะอะไสิ่งที่รู้นั้นหมดแล้วไม่มีสิ่งที่ไม่รู้ยังมีคนเคยมาทดลองพระพุทธเจ้านะทดลองพระพุทธเจ้าเอ๊ะพุทธเจ้าเนี่รู้จริงป่ะเขาพูดถึงถนนน้ำทางมานิมนต์มานิมนต์สมมติเราไปทางตะวันตกบ้านอยู่ทางตะวันตกนิมนต์ไปสันในบ้านทางตะวันตก แล้วเวลาแกกลับแกบไปทางตะวันออกไม่บอกว่าบ้านอยู่ตรงไหนนะไปทางตะวันออกรู้่งญช้าผู้จ้าก็ไปถูกโดยไม่ต้องบอกมีคนมาทดสอบเรื่องอะไรว่ารู้รู้ถนนนนทางไหมรู้จักชื่อคนไหมอ ะ, ะไรแต่ไรเนี้ยก็เราจะเห็นว่าคนก็ไม่ต้องบอกเห็นไหมยาศักดิที่นี้ไม่วุ่นวายที่นี้ไม่ขัดข้องมาที่นี่เธอตั้งรองเธอใครรป็นผู้จ้ารู้จักย่าศักดิ์ที่ไหนไม่เคยพบกันเลยโผล่พรวดมาถึงก็ทักเลยรู้ทันที ท่านอนาตบินติกาเศรษฐีที่เดินไปที่เคยเล่าให้ฟังไงนะฮะที่เคยเล่าให้ฟังอนาตบินติกาเศรษฐีชื่อจริงๆนะชื่อท่านสุทัตตะมันไม่มีใครรู้จักกันเวลาพระุทธเจ้าเรียกพระพุทธเจ้าเรียกสุทัตตะพบกับอนาตบินติกาเศรษฐีที่ราชเครึกอนาตบินติกาเศรษฐีบ้านอยู่สาวัตถีพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆปีประมาณ ป, ปีแรกอะฮะปีแรกปีที่สองอยังมากนะอนาตบินติกาเศรษฐี รู้ขา่าวพระเจ้าเกิดในโลกก็ขอเข้าเฝ้ากลางหูรุ้งนะนะไม่ใช่หรุ้งกลางดึกพระเจ้าเนสุทัตตะสุทัตตะตาถาเขาอยู่นี่มาที่นี่เห็นไนหะมหมายความว่ารู้ทั้งชีเลยไม่มีไม่ไม่มีคํามาไม่รู้เมื่อต้องการจะรู้ก็รู้มันก็เหมือนกับหูชีดนั่นแหละจะหมายความว่าต้องการจะฟังก็ได้ยินแต่ไม่ใช่ได้ยินจนอื้อไปหมดนะฮะมันก็เหมือนกับวิทยุนั่นแหละ การก็ปิดได้นะฮะก็ปิดได้ตรงนี้อสังคต ธ, ธรรมในทีดีก็คือท่านใช้คําวีราคะทาไมใช้คําวิราคะเราต้องสังเกตนะว่าวิสาขะนั้นคือไม่มีกิเลสเราต้องมองกิเลสที่มันต่อกันเราจะเห็นว่าไอ้กิเลสเนี่ยมันมั น, ม, น, ม, นมันอยู่ด้วยกันในคนคนเดียวสวมมติว่าคนเนี้ยเรารักในขณะเดียวกันเนี่ยมีความโกรธแฝงอยู่นะฮะ อยความโกรธแฝงอยู่ใครมาแตะต้องใครมาร่วงเกินเราจะโกรธกันทีได้แล้วคนนั้นถ้าไม่รักต่อเราจโกทันทีเห็นไหฮะคนที่เรารักแหละเราก็มีความโกรธอยู่แล้วเราก็มีความหลงอยู่เพราะฉะนั้นท่านละอะไรก็คือละหมดเลยแม้เหมือนกับตะกี้ที่บอกว่าไฟแสงสว่างความร้อนอยู่แล้วกันไปก็ไปได้แก่กิเลยมันก็มีโลกโกรธหลงอะไรก็ตามที่เราไม่หลงเราก็ไม่โกรธ อะไรก็ตามที่เราไม่หลงเราก็ไม่โลภและอะไรก็ตามที่เราไม่โลภเราจะไม่โกรธเราไม่อยากได้เนี่ยใครไปทำอะไรต่างๆเราไม่โกรธเห็นไ้มว่าจริงๆแล้วเป็นอาการที่ตอบเดียวเพราะนั้นคำว่าวิราคะเราต้องมองในอิตานุปัสสนาสติปัฏฐานที่เราปฏิบัติมาจะเห็นว่าทรงใช้ดูจิตจิตมีราคะไม่มีราคะมีโทสะไม่มีโทสะมีโมหะไม่มีโมหะตั้งมั่นไม่ตั้งมั่น จิตเป็นใหญ่ไม่เป็นใหญ่จิตหลุดพ้นไม่หลุดพ้ น, พนอะไรแต่เลยนะอันนี้คือแสดงว่าจะใช้คำว่าปาราจักโทสาก็ได้นะปาราจักโมหะก็ได้ปาราจักอวิชาก็ได้ดับตัฏหัก็ได้แล้วก็เรียกเยอะเลยะหมดอาสวะก็ได้ถอนอุปาทานก็ได้แต่ที่จริงแล้วหมายความว่าจิตที่ไม่มีกิเลสเรียกเรียกชื่อนั้นจะสื่อสารโดยโวหารแต่ว่า ทำไมจึงใช้คำว่าวิราคะนั้นเป็นเรื่องเพศนะฮะราคะคือความกําหนังความพอใจอยิตใจในเรื่องเพศเป็นการแสดงกะดากระดอกบัวที่เกิดในโคลนตุมแล้วก็ยกตนเองขึ้นเหนือโคลนตุมโดยไม่เพื้อนโคลนตุ่มก็คงอยู่ในในโลกนั้นเองแต่ว่าอารมณ์โลกไม่แปดเพื่อนหมายความว่าแม้จะกระตุ้นให้เกิดกําหนัดเพลิดเพลินยินดีอะไรก็าตามจิตใจกระท่านก็จะไม่แปดเพื่อนอารมณ์หล่อนั้น เพราะนนก็คือลักษณะของใจที่มีปัญญาสมบูรณ์ใจที่มีความบริสุทธิ์สมบูรณ์ใจที่มีความกรุณาสมบูรณ์แล้วใจอย่างนี้ด้านอุปมาอีกอย่างหนึ่งด้านด้านด้านด้ น, ด น, ดนสังเกตนะฮะอุปมาใจที่บรนหลุดพน้นใเนี้มันเหมือนกับน้นําในมหาสมุทรมีรสเดืยดมีรสเข้มแล้วท่านลองเอาแต่ท่านเอารสเปรี้ยวรสหวานรสมันไปใสนะ่ในทะเลไม่มีทางทําอะไรได้เลย มันเค็มอย่างงั้นไอ้เค็มอยู่ตลอดไปเลยภาพตัวนี้ชัดมากนะฮะชัดมากว่าจิตที่มันมีมุมดแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยเราสมมุติเราน้ําหวานไปใส่ในทะเลใสเท่าไหร่ก็ได้น้ําทะเลก็เค็มอยู่นั่นแหละเพราะนั้นใจเขาผ่านจะเป็นอย่างนั้นหมายความว่ากระทบอารมณ์อะไรก็ช่างเถอะมันเยอะแยะทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งกลางกางแต่ว่าใจท่านจะมีปัญญามีความบริสุทธิ์แล้วก็มีความกรุณาต่อคนทั้งหลายอยู่ ท่านก็อธิบายลักษณะเหล่านี้เอาไว้นะฮะอย่างที่เคยบรรยายในเรื่องเกี่กียวกับไม่รู้ไม่รู้นิโรธนะฮะมีชื่อเรียกเกยอะในในธรรมจักรวรสูตรเรียกห้าคำนะจักขุแปลว่าตาหมายความว่าเป็นความรู้เห็นในสิ่งเหล่านั้นแต่ว่า เป็นความรู้เห็นด้วยปัญญาเราก็ท่นเรียกท่านเรียกไวัห้าตาอย่างที่เราสวดนะเราสวดสันเสริญพระกุฎบูชาพร้อมเบญจะพิจักรสุจริตวิมลใสเห็นเหตุที่ใกล้ไกลก็เจนจบประจักจริงเบนจะพิจักรมีจักษุห้าพรเจ้ามีตาห้าเรายังมากแค่สองเรายังมากแค่สองพระเจ้ามีห้าเนินมั ง, งสะจักษุจักษุคือตาตาเนื้อธรรมดาที่เห็นแจม่มใสมองอะไรชัดเจนตั้งแต่ หนุ่มจนจนพระชนมายุแปดสิบพระเนตรเยี่ยมมากวพ่อจาเนี่ยเยี่ยมมากมองอะไรชัดเจนเด่นสายตลอดแล้วก็สองชิประจักษสุคืตาชิบที่สามารถมองเห็นอะไรในที่ไกลตามที่ต้องการนายสามปัญญาจักษุเจสุส ค, คือพระปัญญาที่ทําให้พระองค์สัตรู้แล้วก็พุทธจักสุเจสุ ข, ของพระพุทธเจ้าที่ทรงใช้ในการช่วยดูสัตว์โลกแล้วก็สมัญดจักสุ ค, คือตัวสัพัญญุตญา ตัการสรัตว์รูเพราะาเราเราจะเห็นว่าจากจากสู่สีหลังนี่นะฮะจาสู่สีข้างหลังนี่นะเป็นเป็นภาพรวมของตัวปัญญาตัวปัญญาที่ทำหน้าที่กระจัด ก, กิเลสแล้วก็เกิดเป็นความมีสุดขึ้นภายในพระทยัยแล้วก็ทําให้มองโลกทั้งหลายด้วยความกรุณาเป็นเป็นเป็นสักกลนะฮะมองโลกนนแน่สักกลเพราะจึงจึงเห็นว่า พุทธศาสนานั้นไม่มีไม่มีชนชั้นไม่มีอะไรไม่มีจีนมีไทยมีแขกมีพรังไม่มีไม่มีคําอย่างนี้อยู่นะฮะไม่ได้พูดถึงแล้วถ้าเราดูศาสนาอื่นจะมีคําเหล่านี้จะมีคําเหล่านี้จะมีคําเรียกอิสราเอลเรียกอาหรับเรียกอียิปต์เรียกอะไรแต่เรียกชนชาติทย่างนั้นเราไม่หรือสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายประชาทั้งหลายะสิ่งมีชีวิตทั้งหลายก็จะข่าวอย่างนั้นไม่ไม่มมไม่ได้เจาะจง มันเป็นศาสนาโลกเป็นศาสนาของโลกจริงๆเป็นสมบัติของมนุษยชาตินะว่ากันตามความจริงนะเป็นสมบัติของมนุษยชาติแต่ว่าใครจะใช้ประโยชน์หรือไม่ใช้มันก็อีกเรื่องนึงตรงนี้ก็ทร ง, ทรงแสดงลักษณะหนึ่งเลจักรูสองยานคือความรู้ที่เกิดผุดขึ้นภายในจัตแล้วก็ปัญญาปัญญาก็คือความ ร, รู้วิชา วิชาก็คือตัวที่ขจัดอวิชาวิชาคือส่วครับอาโลกะคือสวา่สวางสว่างหมายความว่าใจมันส ว, าสวา่างจะสว่างพระไทยจะสว่างอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่เข้ามาทําความคุณมัวได้เพราะนั้นก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นลักษณะของจิตลักษณะของจิตที่สงบจากกิเลสแต่อันนี้ไม่ไม่ใช่สงบนะฮะหมดหมดกิเลสไปเลยแล้วอย่างเรียกชื่ออย่างอื่นอีกสรุปว่า ทำที่ใช้ชื่อเรียกเรียกแทเนี่ยนะฮะมีเกือบร้อยเนี่ยแต่เอามารวบรวมมันมีเกือบร้อยเพราะมันมันมันภาษาคำอานิพานอธิบายยากมากไม่จะสื่อยังไงมันจะสื่อยังไงมันมันมันเป็นสัมผัสตรงมันเหมือนกับเปรี้ยวหวานมันเค็มที่เราต้องรู้ด้วยลิ้นเรานะฮะลิ้นคนอื่นก็กกกเขาก็รู้อนะเพราะฉะนพวกนี้เราต้องนึกสัมผัสตรงทา ง, ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นไหมฮะทั้งหมดเนี่ยคนนั้นต้องสัมผัสเอง ไม่รู้ว่าอย่างนั้นอย่างนั้นดูอะไรกันพูดอย่างนั้นเนี่ยกินอยู่กันแล้วกันอพูดพูดอย่างนี้ดมดมดูกันแล้วกันเห็นนะฮะเราเราเราเราต้องรู้ด้วยสัมผัสตรงของเรามันไม่ใช่เรื่องที่จะอธิบายนิพานจึงมีการอธิบายน้อยมากนะะแม้แต่ในอภิธรรมเองอธิบายเพียนิดเดียวจะอธิบายยังไงจะอธิบายยังไงมันเป็นมันเป็นเป็นสันทิฏฐิโกคือคนนั้นจะเห็นได้ด้วยตัวเอง แล้วคนที่ที่สัมผัสแล้วอธิบายคนอื่นอีกมันก็อธิบายเต็มที่ไม่ได้อีกอะมันก็ต้องสง่งต้องส่งให้ดูเอาข้อต่อไปหมู่คณะหมายความคณะกลุ่มคนพวกคนหมู่คนทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมู่อะไรกรรษัตริย์พวกพระพวกแพทย์พวกแร่แต่แร่กระทำพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่าลืมประเด็นตรง น, นี้นะพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ที่ประเสริฐสุด ทีนี้คำว่าพระสงฆ์ตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าทำความเข้าใจเมื่อคือนเนี่ยฟังเข้ออภิปรายเรื่องาศาสนาเสื่อมหรือไม่เสื่อมอะไรตัวไหนเนี่ยแอมมาว่าสังคมมองาศาสนาแปลกมากเลยเราเออมันตนมทําไมมันไหลกันไปอย่างนั้นได้ละ่ะศาสนาไม่ใช่พระสงฆ์นะฮะศาสนาไม่ใช่วัดศาสาศนาไม่ใช่พระสงฆ์าศาสนาคือตัวาศาสนธรรมตัวาศาสนธรรมคือพระธรรมวินัย ที่พเจ้าทรงทรงแสดงแล้ฮะดูก่อนอันนนท์ทลฤวินันใดที่เราแสดงแล้วบรรยัติแล้วกรเธอทั้งหลายทำฤา ไ, ไนน์นั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อเราล่วงลับไปแล้วตัวหลักตัวนี้มันมันอยู่ตรงนี้นะฮะตัวหลักจริงๆเนี่ยอยู่ที่ตัวพระทำฤา ไ, ไนน์ไม่ใช่อยู่ที่พระสงฆ์พระสงฆ์ก็คือกลุ่มพุทธบริษัทเป็นเพื่อนสาสนิกกับท่านทั้งหลายแต่นั้นเองมันไม่มีอะไรนะพระสงฆ์ก็คือลูกชาวบ้านคนหนึ่งนะฮะเป็นระบบการเลื่อนไหลในทังคม เราอาธิบายตรงนี้เขาไม่ยอมเมื่อวานในก็พยายามอธิบายบอกอย่าลืมนมันเป็นโครงสร้างาสังคมมันเป็นการเลื่อนไหลทางสังคมรบับฏิเสธไม่ได้หรอกมันเป็นอย่างเนี้ยถ้าคุณต้องการในพระดีๆคุณอบรมลูกคุณให้ดีก็แล้วกันเลยเป็นระบวุฉันจะมีพระดีให้ดูในวันนั้นเลยแต่ลูกเป็นยังไงไม่รู้อิเล็กเเข็งขัดจ้ตยาติเทรอินติดอะไรๆเอามาใส่วัดแล้วบอกพระก็ไม่บอก พอลูกไม่เรียบร้อยระด่าพระพระอะไรคนลูกชาวบ้านก็ลูกโยมนั่นแหละมีวัดมีขี่ม้าเต็มก็โยมออกมาปล่อยทำไมเราม้าดีๆก็ไม่เอามาปล่อยเอาหมาที่เรือมาปล่อยอันนี้คือคื อ, ค, อคือที่จริงแล้วเราเรมมองเรารมมองปฏิเสธความจริงปฏิเสธความจริงว่าพระสงฆ์ก็คือคนที่พยายามปฏิบัติ พยายามศึกษาพยายามปฏิบัติพยายามที่จะเผยแพร่ตามได้บางไม่ได้บ้างก็ก็จะว่าอย่างไงอะครับมันก็คนน่ะมันก็คนน่ะอย่างที่คราวเกิดเกิดเรื่องเกิดเรื่องสมิเจียฟนะะมีบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สองคนมานั่งคุยกันมาเอามาถามว่าคุณอายุเท่าไหร่เขาเท่าไหร่นะสามสิบแปดก็สามสิบแปดบอกคนรู้ไม่เจียบอายุธเท่าไหร่ อายุเป็ยี่สิบป่คุณจบไปได้คุณจบเป็นญารีอันนี้มันจบจบป .6 เด็กรุ่นน้องคุณตั้งเยอะโอกาสทางสังคมก็แย่โอกาสทางการศึกษาก็แย่อายุก็น้อยวุฒิภาวะก็อ่อนด้อยคุณรักษาศีน่ายังไม่เคยได้คุณเมอลล่าไหมถามหูคุณเมาล่าไหมคุณรักษาสีน่ายังไม่ก็ได้แล้วยิ่งมันรักษาศีนอายุม ก, ก็น้อยกว่าคุณความรู้ก็น้อยกว่าคุณ ประสบการณงโลกก็น้อยกว่าคุณแล้มารักษาสีทั้งสองด้วยเจ็ดวันผิดสัข้อสองข้อก็อาใครเขาไม่ได้เรื่องของเขาอะอธิบายแก่แก่แก่เข้าใจนะฮะวันนี้ที่จริงน้องคุณนะะน้องคุณอนะไทยด้วยกันนะ่ะน้องคุณแท้แท้เลยเด็กรุ่นน้องแล้วน้องก็มากๆด้วยน ะ, ะกว่หนึ่งสามสิบแปดไปกว่าหนึ่งยี่สิบแล้ว 1, น้องก็มากๆไปด้วยนะฮะอันนี้คือคือเราจะต้องมองว่าจริงๆพระสงฆ์เนี่ยก็คือ ถ้าทั่วไปเนี่ยเขาเรียกสมมติสงฆ์เขาไม่ได้เรียกว่าพระอริยสงฆ์พระสงฆ์ในสังกัดคุณเขาหมายถึงพระอริยะสงฆ์นะครับหมายถึงอริยสงฆ์เพราะพระสงฆ์เราทั่วไปเราก็สังกัดคุณเราไหว้พระสงฆ์เหมือนกันแต่เราไม่ได้ไหว้เราเราไหว้พระอริยสงฆ์ท่านต้องปฏิบัติเห็นไหมสุปฏิปโนปฏิบัติดีอุชุปฏิปโนปฏิบัติตรงยายะปฏิปโนปฏิบัติเป็นธรรมสามีจิตปฏิปโนปฏิบัติสมควร แต่คนที่ทําได้ขนาดนี้มันเป็นคนระดับอริยะแล้วอริยะแล้วศีลแต่ละข้อมันง่ายที่ไหนแล้วเอาก็ไม่ต้องพูดมาเลยศีลห้าเนี่ยตีหน้าถามจริงๆอะไม่ต้องถามไม่ต้องตอบหรอกว่าโยมรักษาได้ตลอดไหมเจ็ดวันสิบห้าวันเดือนรักษาได้ตลอดเอาห้าข้อนะไม่ต้องเอาสองร้ยอย่สบเจ็ดยงพลาดถามจริงๆอะลองตอบใจตัวเองดูมันไม่ได้จริงอนะ ไม่ใช่ง่ายอ่ะนะแต่ละข้อเนี่ยเราจะเห็นว่าปานากามุสานี่ไปง่ายบ่อยที่สุดเลยฆาสัตว์ตบยุงบีมดฉีดดีดีดชีหล่อะระสัตว์สัตว์ทั้งหลายนยแล้วก็โกหกมันง่ายนะนไปง่ายง่ายเพราะงั้นตรงนี้เราจะเห็นว่าถ้าเรามองการให้จริงแล้วเนี่ยคำว่าบุคคลหรือมันคณาบุคคลที่ยอดมันมันมั น, ม, นมันเป็น อะไรล่ะคล้ายๆกับกลุ่มตัวอย่างที่สร้างขึ้นเป็นกลุ่มบุคคลตัวอย่างที่เอาคนหลากหลายแล้วมาร่อนจำนวนโบราณแต่เรียว่าร่อนสายหาทองภาพชัดนะร่อนสายหาทองมาความว่ า, าอกคนจานวนมหาศาลนะฮะมาร่อนเหลือที่เดียแล้วก็ได้ดีบ้างไม่ดีบ้าง เพราะงั้นท่านเหล่านี้โดยเกณฑ์มาตรฐานที่ท่านเรียกว่าเลิศเนี่ยไม่ได้หมายถึงพระสงฆ์ทั่วไปพระสงฆ์ที่ผ่านระบบ ก, การปฏิบัติท่านเหล่านั้นก็พยายามปฏิบัติแต่ท่านยังไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ก็ยังไม่ถือว่าเลิศนะฮะเพราะเราเลิศโดยคุณไม่ใช่เลิศโดยโดยโดยกลุ่มคนเดียมาควา ม, มากลุ่มคนจำนวนเนี้ยท่านปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรและจริงๆการปฏิบัติอย่างนี้ไม่ได้เจาะจงพระสงฆ์เจาะจงชาวพุทธทุกกลุ่ม นันอย่าลืมนะเพราะว่าในช่วงตรงกลางที่ท่านบอยติดังนี่คือใครจาตาริปุริสุกรานีคู่แข่งบุรุษศีอัถฐบริสุกราบุรุษปุคนแปดเอสะปรากโตสาวกสังก น, นี้หมู่สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพอ ม, มาถึงตรงนี้ปรากฏเราไม่ได้แยกเป็นพระเป็นชาวบ้านแล้วหมู่สาวกของพระผู้มีพระภาคเจา้าหมู่ก็คือกลุ่มรุปข์เห็นไหมอริยาสาวกจึงมีที่เป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็น าสามเณรสามเณรีนามศิขะบานาพวกพวกพว ก, พวกที่ยกย่องเป็นเขาเรียกเอตทัคะสาวกสาวกชั้นยอดนับแล้วเป็นพระเท่าไรเป็นพระสี่สิบสามเป็นพิกจุนีสิบสามเป็นอุบาสกสิบอุบาสิกาสิก็แสดงว่าสาวกของพระบูมีรุคาเจ้าไม่ได้เจาะจงว่าเป็นพระแต่ว่าท่านเหล่านี้ก็คือท่านที่ปฏิบัติีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควร เมื่อท่านท่านอยู่ในสถ า, านานี้ท่านก็ถือว่าเลิศ ก, กว่าคนอื่นโดยคุณนะฮะโดยคุณแต่ถ้าท่านท่านทำไม่ได้ท่านก็ยังยังไม่ได้ชื่อว่าเลิศท่านจะบีบไว้ไม่ไม่ได้เจาะจงว่าพอพูดเราพระสงเปิ ด, ป, ดปุบ๊บติดปั๊บมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็พระสงฆ์ที่ปฏิบัตดิดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควร แล้วก็ท่านเราเนี่ยเรียกว่าอาหุนโยเป็นผู้ควรขับนับขับนับก็คืออะไรก็คือว่าเราไปหาแล้วเชหนว่วยกปินโตนำอาหารไปให้เนี่ยเขาเรียกว่าขับนับบาหุนโยคือต้อนรับหมายความว่าท่านมาบ้านเราตอนมาบ้านเราเราก็ยินดีต้อนรับแล้วก็ทักขิศนโยก็ควรเกี่การทําบุญทําบุญก็ทําบุญแล้วก็ได้บุญได้บุญเพราะอะไรเพราะว่า ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรต้องกลับไปตรงโน้นทุกทีนะต้องกลับไปตรโน้นทุกทีบางทีที่เราฟังเนะี่ยะมันพูดเป็นปัจเจกชนพูดเป็นปัจเจกชนไม่ได้อนะลูกชาวบ้านนะนะลูกชาวบ้านนเนี่ยเราจะลืมว่าบางทีเนี่ยอามายัางชอบใจชอบใจผู้ใหญ่สองท่าน ท่านหนึ่งท่านตายหมดแล้วทั้งคู่เนนะท่านหนึ่งท่านท่านานั้นมีโยมไม่ต่อว่าโอ้ยพระเนไในวัดเจ้าคุณยังไม่ได้ร้อยเลยเป็นยังไงโอโถโยมจะเอาอยัางไงนี่อาตมาเอามาจากกลางทุ่งนะเนี่ยอามาจากกลางทุกมาล้างขี้โคลนแล้พูดกับโยมรู้เรื่องนโยมจะเอายังไงเอามาจากกลางทุ่งนะ หลวงพ่อองค์หนึ่งท่านท่านจับชอบจับรูปชาวบ้าน น, นะนะฮะใจดีไม่ได้เรีนหนังสือทั้งหาก็กลับมาฝึกปลือมอบรมมาฝากวัดในกรุงเทพในเกิดนวดแล้วถูกต่อว่าทุกแข่งอนเนียนเขาท่านมหานี่ไม่เรียบร้อยเลยท่านบอกเอา้าเพราไม่เรียบร้อยจึงออกมาฝากในเท้าจึงฝึกช่วยช่วยสั่งสอนให้ไงเรียบร้อยแล้วจะต้องเอาหมอยให้ให้ฝึกทำอะไรคือเอาคนมาฝึกนะฮะ เราคนมาฝึกเราอย่าลืมาของเราในจุดอ่อนเราอยู่ตรงนี้และจุดอ่อนในสังคมไทยไม่แค่ว่าทุกสังคมประเทศลังกานั้นเขาเอาคนดีมาบวชหมายความคนที่เขาฝึกมาเนี่ยเาผ่านมาเยอะกว่าจะบวชบวชแล้วก็ทำ ง, งานได้เมื่อมือแคคิดคิดเห็นไหมคิ ด, ดีิเขาบวชคนแก่แล้วเขาฝึกมาตั้งแต่สามเดือนรานเอะอายุสิบกว่าขวบนี่ก็มกฝึกอ่ะ มุกฝึกแล้วผ่านอย่างอย่างในเบืองไทยเนี่ยฮะจากซ้ำในราไายก็ผ่านโยแซบอุปถัมป์จากโยแซบอุปถัมป์ไปผ่านแสงธรรมจากแสงธรรมไปผ่านที่วาติกันแต่ว่าจากคนนะสามสี่ร้อยนะฮะไปเหลือข้างบนเจ็ดแปดคน น, นั่นเองเห็นไมเขาก็ร่อนสายหาทองเหมือนกันแหละเขาร่อนสายหาทองเหมือนกันเพียงแต่ว่าร่อนข้างนอกวัดนั่นเองเราเออกมานั่งร่อนกันในวัดแล้วานั่งร่อนสายกันในวัด จริงๆแล้วระบบเดียวกันมันเป็นการคันคัดคัดสรรเป็นระบบการคัดสรรคนขึ้นมาเพราะคนนี้เขาก็ลังคัดเราอย่าไปเล็งผลเล็บถ้าคนนี้ก็สรรแล้วเขารับประกันคุณภาพแล้วเนี่ยฮะนั่นคือเลิอจริงๆหมายความเวลาเราสวดเห็นไหมอสุปฏิปโนปะกาโตสาวกสังโภพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว เห็เงี้ยมันจะมีคามําว่าแล้วอยู่ด้วยอุยชุ ป, ปฏิปโนโกโตสาวสังโคพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคจะเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วท่านแล้วแล้วไม่ต้องกลัวแล้วจบแล้วเจวกันในศาลแล้วไอ้แล้วแล้วก็ใช้ได้ท่านเหล่นี้เท่านั้นเองนะฮะจึงชื่อว่าเป็นผู้ควรดํารัควรรอนรับควรทําบุญควรประนมมือไหว แต่ควรเหล่านี้มันเป็นจิตสมำนึกของเราเราเห็นควรก็ควรไม่ควรก็ไม่ควรไม่บาเลยเพราะว่าเวลาสอนพระองค์เจ้าจะไม่สอนอย่างนี้เห็นไหมที่เราพูดเรื่องพรหมจริยสูตรมื่ก่อนพระเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้พรหมจันทร์นี้เราไม่ได้ประพฤตเพออิเพื่อหลอกลวงคนเพื่อเรียกร้องคนให้มาเคารพนับถือเพื่ออนิสงค์คือลาบสักการะชื่อเสียงแต่เราประพฤติเพื่ออะไรเพื่อละเพื่อสํารวมระวงังนะเพื่อ ความดับ ก, กิเลสเพื่อความดับทุกข์ไม่ไม่ไม่ไม่ไมไมอ้ น, นั่นก็เราคิดก็เราคนไหวเขาก็ได้บุญเขาไม่จะได้บุญเรานะถูกไหวมากมากก็ไม่ใช่สนุกนักเหมือนกันไปในที่บางแห่งเสียเวลาโดนโยมไหวกันมาไม่ต้องไปไหนอคือ ท, ท, ที่จริงเนี่ยมันมันเป็นเรื่องคนเขาเห็นเองเขาว่าเออพระควรอัญชลีเขาอัญชลีไม่อัญชลีก็แล้วไปไม่ได้เดือดร้อนอะไรเนี่ยไม่ได้ร้อนอะไรเห็นว่า ควรไหวก็ก็ะวายเขาไม่ควรไหวเขาก็ไม่ไหวเราก็ไม่ดูขาดอะไรพระเราไม่ได้เรียกร้องนะพระไปเรียกร้องไม่ได้ไปคิดตรงนั้นไม่ได้แล้วก็ทำไมยังเป็นอย่างนั้นเพราะท่านเป็นเป็นเป็นอนุตรังพจะนิกฐานมรรสะแต่อย่าลืมว่ไอ้สีข้อข้างบนเนี่ยสาคัญที่สุดตรงนี้ท่านเด็นว่ามันก็อยู่ในการทําใจเรื่องใสเรื่องใสก็คืออะไรก็คือไม่สงสัย มีวิธีการปฏิบัติทําไมจึงเน้นที่สังฆทานเพราะถ้าปัจเจกชนในโยมเจอก็คนจกพระไม่เรียบร้อยก็มาแล้วโกรธตายเลยเสียอารมณ์เสียความรู้สึกแต่ถ้าเราถวายเป็นภาพรวมภาพรวมเป็นสังฆทานถวายเป็นสงฆ์ไม่เ ก, เกี่ยวกับปัจเจกชนใจมันจะไม่ไปจับปเปาะอยู่ที่ปัจเจกชนเพรา ะ, ะนั้นสมมติว่ามากันสิบรูปองค์หนึ่งไม่เรียบร้อยก็เอียตั้งเ้ารูปเลยนะ ยังไม่กล้ารูปเขาเรียบร้อยอยู่นึ่นคุณจะว่าไงเห็นไหมฮะแม่พระเจ้าก็วางไว้แล้วว่าให้เราทําบุญแบบสังฆทานอย่าไปทําบุญในรูปปัจเจกปติปุจจลิกษาษิานเพื่ออะไรเพื่อรักษาความรู้สึกอย่าให้เกิดเสียความรู้สึกวันที่ความรู้สึกหรือเพลิดาดพาดนะฮะเมื่อคราวหนึ่งท่านทั้งหลายติดตามข่าวาศาสนาเมื่อสมัยพศสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสาม นานนะนานน่อยมาสอดกาสามอาจารย์ซูชิปุญญาณุภาพซูชีโวพิกคุศึ่งตอนนั้นออกประกาศทางกรมมรชาสัมพันธ์นะฮะเป็นเรื่องใหญ่มากมีคนบางคนโกรธไม่เข้าวัดนลไม่รเรื่องอะไรโกรธอาจารย์ซูชิบุศึกแล้วไม่เข้าวัดแต่บางคนก็ด่าว่าหายไปเลยไม่รู้หมายความเป็นยังไงแล้วอันีก็เรื่องของเขาเลยจริงเรื่องส่วนตัวให้เรื่องส่วนตัวออกมาก แต่ตอนนั้นแสดงว่าเมื่อทลา่เกือบ้าสิบปีแนละ้วเก้าสิบสาเนี่ยกสสตอนนั้นดังมาสุชีโวสิชุสุชีโวพิขุกับอีกองหนึ่งอ่ะชื่อมาอุปดิ์หายไปชื่อหายไป ด, ดังมาเป็นพระเทพฝรังองค์แรกก็รู้จักกันทั่วโลกนะั้นสุชีโวกินหนังสือเยอะนะฮะ นี่เราจะเห็นว่ารอดใจไปผูกว่าคนแล้วทําไมจะต้องท่านต้องเป็นอย่างที่เราให้เป็นอยู่ท่านอยู่ท่านปฏิบัติไปแล้วกันนัสึกเรากสึกมันเรื่องของท่านอะเรื่องของท่านจะอยู่ก็อยู่จะสึกก็สึกแต่ว่าเมื่อเราเห็นว่าท่านปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็ให้ความรับถือแล้วแม้ปฏิบัติมันก็มันก็เรื่องของท่านอะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเพราะงั้นพระสงฆ์จึงแบ่งเป็นสองตอนพระพุทธเจ้าทรงสอนสำหรับพระทั่วไปให้เรามีเมตตาทางกายทางวาจาทางใจ เห็น ไ, ไหมมีเมตตาทางกายทางวาจาทางใจอย่าอย่าไปคิดว่าอพระนี่มันต้อ ง, องดีต้องเปิดปุ๊บติดปับ๊บต้องเรียบร้อยนะมันก็คือเรานั่นแหละมันก็คือเรานั่นแหละก็พวกเดียวกันนั่นแหละบางทีบวชวันนี้พรุ่งนี้จะให้เรียบร้อยแล้วมันจะไหวสนะิบปียังเอาไม่อยู่เลยนะฮะมันต่อสู้กับกิเลสต่อสู้กับรมแต่ให้ท่านพยายามท่านพยายามก็าชื่อว่าอยู่ในกลุ่มของคนที่ เป็นคนดีนะควรแก่การยกย่องแล้วนี่ก็คือเป็นเรื่องที่ส่งสอนให้ทําใจเรื่องใส่มันเป็นผลประโยชน์ของเราเองนะฮะเพื่อประโยชน์อายุวัฒนาสุขะพระยศ ช, ชื่อเสียงตลอดถึงมนุษยสัมบัติสวรสวรคสัมบัติในผานสัมบัติทห่งกล่าวสมมติวันนี้ก็ข อ, อยุติไว้ที่เวลาเป็นเท่านีที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรในธรรมยังมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโด้วยท่ว ก, กันทุกท่านคืน